เทศนาแผ่นที่77ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดพุรธานีสแสดงธําไในวันที่24มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าต้องปฏิบัติแบบจริงจัง วันนี้เป็นวันที่ย4มิถุนายนพุทธศักราช2558หสบเมื่อวานเป็นวันพระขึ้นแดค่ำแต่อีกไม่นานจะคงเป็นวันเข้าพรรษาและคณะทายาิโยมวันให้เตรียมพร้อม ในพรรษานี้พวกเราจะทำอะไรบ้างไม่ใช่พรรษาวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปพวกเราไม่ได้คิดประปรุงกายวาจาใจของเรา เ, ยเลยไม่ใช่พุทธศาสนกชนถ้าเป็นพุทธศาสนกชนพระพุทธเจ้าบอกกล่าวย้มเตือนอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ขณะที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานหายใจเฮือกสุดท้ายพระพุทธองค์ยัยงสั่งเสียว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทติแปลเป็นภาษาไทยพวกเราที่ฟังง่ายๆก็คือว่าสังขารร่างกายของเรานี่มีแต่แก่ไปข้างหน้าเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย เพราะนั่นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงประโยชน์จงทําประโยชน์ตนรีบทําประโยชน์ตนและก็พร้อมกันก็พอจะช่วยเหลือชุมชนสังคมส่วนอื่นได้ใค้มองเขาด้วยประโยชน์คนอื่นประโยชน์ตนและประโยช น, น์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทใครก็เตรียมให้ทําได้ทั้งของตนและของของคนอื่นเพราะ ร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่าหลงอย่าลืมตัวอย่าหลงตัวอย่าลืมตนว่าข้าจะไม่ตายให้จำเนกไว้อันไหนควรจะทำประโยชน์อันไหนมันดีคิดดีทดําดีพูดดีนี่แหละคือพุทธศาสนิกชนพระพุทธเจ้าแนะนำบอกกล่าวสอนอย่างนี้และก็พร้อมกัน ในพรรษาที่จะถึงนี้พวกเราควรจะวางแผนฆ่ากิเลสตัวไหนจะไปวางแผนทำความชั่วข้าพเจ้าจะไปขายยาบ้ายา마าข้าพเจ้าจะไปคดไปโกงข้าพเจ้าจะไปวางแผนหุบที่ดินของคนนั่นคนนี้แย่งชิงพี่น้องดมมอรดก วางแผนเอาไว้อันนั้นไปว่าวางแผนความชัว่ววางแผนฆ่าคนนั้นคนนี้อีกต่างหากอันนั้นแปว่าวางแผนความชัว่วให้พวกเราวางแผนฆ่ากิเลสอันนั้นคือเป็นกุศลนะนะฆ่ากิเลสคือฆ่ากิเลสความชั่วของตนเองคิดชัว่วเราจะไม่คิดในพรรษานี้ทำชัว่วเราจะไม่ทำในพรรษานี้พูดชัว่ว เราจะไม่พูดในพรรษานี้นี่วางแผนใครข้าวขันเอาโลเอาโซ่ตรวนมัดกิเลสใส่ต้นใส่พรรษาเอาไว้สามเดือนข้าพรเจ้าจะคิดดีทดําดีพูดดีคิดคิดดีคืออะไรพระพุทธเจ้าคิดดนะีคิดอย่างไรคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขาคิดไม่ พ, พยาบาดปลองร้ายเขา เ um ห body, AH. ็นถูกต้องตามทำนองครองธรรมอันนี้ทำนองครองธรรมจุดนี้เราต้องศึกษานะแล้วทำนองครองธรรมคืออะไรข้าพเจ้าจะไม่คิดฆ่าคนออ่นข้าข้าพเจ้าจะไม่คิดฆ่าสัตว์เห็นชีวิตของสรรพสัตว์เห็นชีวิตของตนเองมีคนณค่าในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเรา เราไปประพฤติผิดในสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขามากระทําให้กับเราเราไปโกหกเขาเขามาโกหกเราเขาดื่มสุรามเมามาอาลวาดข่าพี่น้องอขับรถเฉียวรถชนเราเพราะคนขาดสติถ้าเราไปทําอย่างนั้นเหมือนกับเขาเป็นยังไงนี่แหละสรุปได้ก็คือศีลของพระพุทธเจ้า เขาเราจากนั้นก็ปรปับปรุงใจของตนเองให้ไอยู่ในสัมมาทิฏฐิคิดยังไงมันจึงจะถูกต้องพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาในความคิดเต่าต้องยกเป็นบรมครูของพวกเราพระพุทธเจ้าท่านคิดยังไงท่านให้แนะนําในความคิดเนี่ยท่านให้คิดอย่างไรจึงว่าเป็นสัมมาทิฏฐิต้องศึกษา ยาวยืดยาวแนวความคิดพระพุทธเจ้าแนะนำแนวความคิดยืดยาวทีเดียวนะคิดยังไงที่ว่าเป็นสัมมาทิิสัมมาสังกปรวาจากรมรมันตัวอาชีวไวมวุสติสมาธิเนี่ยมรคแปดสัมมาทนะิธิเป็นเบื้องต้นเพราะนั้นองค์หลวงตาที่หลวงพ่อนั่งรถไปบินเทาบาทท่านหลวงตาเทศในสถานในวิทยุของเรา กเนี่ยดันบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีคุณค่าไม่ใช่มีคุณค่าเพราะเนื้อเพราะหนังมีคุณค่าเพราะความประพฤติมีคุณภาพเพราะมีศีลธรรมจริยธรรมถ้าคนใดก็ตามขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแล้วถึงจะหน้าตาเซตสวยงดงามเนื้อหนงังมังสาอ่อนท้นสมบูรณ์ขนาดไหนก็เถอะไม่มีคุณค่าเพราะเหตุอะไรเพราะคนนั้นเข้าไปแล ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเออพราะคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วมีแต่โลภอย่างจะได้ของเขาพยาบาทปองไร้เขาเออจากนั้นก็นด่ากราดไปหมดไม่มีคุณธรรมศีลธรรมศีลห้าทุกข้อล่วงละเมิดทั้งหมดเราจะเข้าไปใกล้ได้ยังไงเออถึงจะเฉดจวยงดงามขนาดไหนก็ความประพฤติคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่มีในคนคนนั้น เนี่ยลงตาท่าน พ, พูดเป็นแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายอาท่านบอกว่าร่างกายสังขารร่างกายของเรานี่เอไม่มีคุณค่าถ้าหากคนนั้นขาดคุ ณ, ณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นให้พวกเราฟังเอาไว้คนพวกเราในขาดมากน้อยแค่ไหนอควรจะปรับปรุงกายใจของตนเองในพรรษาที่จะถึงนี่ควรจะวางแผนนล้นะคิดไว้ได้ลนะ ในพันศานี่เออลูกเอ้ยหลานเอ้ยข้าจะรักษาสินห้านะจุดแท้แต่สู้เจ้าจะหามาให้อยู่ให้กินยังไงข้าจะกินอย่างนั่นลหละข้าจะกินตามที่มันมีมันเกิด เ, ออเพราะตัวในในตลาดก็มีอยู่แล้ว เ, ออเราก็มีเงินแต่ไม่มีแล้ะก็ขอเขาก็ได้เอยลูกหลานเอ้ยเอาสู้เอาเงินมาให้กูกูหมดละกูก็ใช้ประหยัดอยู่ ลูกหลานเขาก็ต้องหามาให้จากนั้นก็ตัวเองก็ต้องใช้ประหยัดไม่ไม่ไมเว้นเสียแต่พ อ, อลูกหลานเอาเงินให้กอนนู้นไปเฝ้าอยู่วงไหาโลของเขาไปเฝ้าเลยเล่นไพ่ตัวเล่นเองเล่ น, ลนมาได้ก็เข้าหุ้นกับเขาเห็นว่าไอ้นี่มันเล่นเก่งเออมันมันได้ดีเอากูเข้าหุ้นกับเมืองด้วยนะอออย่างงั้นลูกหลานญาติ ทั้งลูกทางหลานเขาจะให้เงินเราได้ยังไงพอได้เงินมาก็านอนไปเล่นการพนันเ <c oughs> พราะนั้นเราเมื่อได้เงินมาก็ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์เาขาแบ่งมาปันมันแล้วก็เก็บรู้จักเก็บแล้วก็ใช้ค่าโอา้โหค่าอาหารค่ายุบค่ายาพอเราเป็นคนแก่แล้วเราหาไม่ได้แล้วเราจะไปบ่นให้เข า, เาต้องคิดดูตัวเองบ้าง สมัยเมื่อเราเป็นน้อยเป็นหนุ่มเราเคยแบ่งเงินให้พ่อให้แม่ให้ใครบ้างไหมอ่าในเมื่อเราแก่เข้ามาแล้วอยาจะอยากจะได้ใช้แบบสบายๆได้หรอืออ่าเขาแบ่งให้เท่าไรก็เท่านั้นแต่เรารู้จักเก็บจากนั้นเราเรารู้จักรักษาศีลและธรรมรักษาศีลสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยในพรรษาเนี่ยสามเดือน อข้าไปเจ้าจะไม่ฆ่าข้าไปเจ้าจะไม่ขโมยข้าไปเจ้าจะอยู่ในศีลธรรมข้าไปเจ้าจะไม่ดื่มสุราเนี่แหละถ้าว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติส้ำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยแล้วน่ะเราจึงขอพรจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เถิดพอขอพรจากสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เถิดพอออกพรนสาข์กันมองย้อนหลังดูเออ ในพรรษาเนี่ยข้าพเจ้ารักษาสินหาดได้บริสุทธิ์บริสุทธิ์บูนจริงๆแล่าไม่ได้ขาดตกบกพร่องหรือว่าขาดตกบกพร่องน้อยที่สุดเออด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้รักษาศินอันในสงสินขออันในสงสินคุ้มครองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญตามเออที่พระพุทธเจ้าว่าสีเลนะสุ ข, ขติงยันติ ผู้จะไปสู่สุคติได้เพราะศีลสีเลนะโพก็สัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติบัตรได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะศีล น, นี่แหละข้าพเจ้าได้รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ทางสุขติงกว่าดีทางลาบทางยศกวดีทางนิพพานสมบัติกวดีขอให้มาสู่ข้าพเจ้าด้วยเถิดน ้เรายังขอพอรแตนะ่เมื่อเรารักษาศีลแล้วไม่ใช่ว่าออพอจะเข้าพรรษาแล้วก น, นะไปขอพอรก้าวัดหัวฟัดหัวเวียงกินเหล้าเมาแล้วยังไปหาพรไปขอพอรตามวัดพรจะปร ะ, ประสิทธิ์ประสิทประสัดได้อย่างไงเพรตัวเองทําความชั่วตัวเองต้องทําความดีซะก่อนจึงขอพอรมันจึงจะถูกนะในพรรสนามีเราจะเอาอยัางไงเราจะรักษาศีล เราจะไหว้พระทุกวันแต่หลวงพ่อก็เคยมีคนมาบอกให้หลวงพ่อนะโอ้หลวงพ่อมีประโยชน์จริงๆแต่ก่อนผมก็ไม่ได้ไหว้พระก่อนหลับก่อนนอนพอนอนก็นอนไปเลยบางทีก็ลืมบ้างทําบ้างลืมบ้างแต่พอในพรรษาเนีตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าจะไหว้พระทุกวันอาสวะ阿拉หังสวขะขาโตสุปฏิปัโนโนาโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขัง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 ถ้าหากว่าวันไหนก็วันเก่าเอนอนหมูนอนหมานอนวัวนอนควายใหครูบาอาจารย์ว่างกันนะนอนควายยังไงเออพอไปแล้วกันล้มตูมเลยออย่างควายมันยังวนอยู่เลยวนวนว่ามันจะมีอันตรายไหมมันมีก้อนหินมันมีอะไรมันที่มันจะนอนก่อนมันจะล้มตัวนอนหมาก็เหมือนกันะมันปังทิมกับวนวนดูซะก่อนมันยังค่อยนอน เรามันยิ่งกว่านั้นไปอีกพอเห็นหมอนโตดตื่มเลยหลับตาเจ้ก่อนต้องไหว้พระซะก่อนนะในพรรษาไะนี่แหละในพรรษาควรจะไหว้พระอซะก่อนในพรรษามีศีลห้ามีในพรรษางดอบายจมุกเนีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุราหรือบุหรี่โอ้บุหรี่มันงดยากเหลือเกินว่ะ ในภรรษาเนี่ยแต่เอาในพรรษาเนี่ยครัพระเจ้าจะอดฟันตายให้มันตายตายให้จะจะเห็นตัวเองตายเหมือนกันแต่เห็นคนอื่นตายอดดูซิมันก็ไม่ตายหรอกมีเถา ก, กิเลสเนี่ยนะตัวความโมโหความโลภอยู่ในจิตในใจน่ะความอยากอยู่ในใจนั่นนะมันจะหมดไปเมื่อเอาชนะตัวหนึ่งได้แหละก็จะชนะตัวหนึ่งะชนะปุรีชนะชนะเหล้า สราณการเล่นการพนันแต่ก่อนพอถึงวันส6บหมาสิ้นเดือนมาใจจะหลุดจะขาดอยากจะซื้อเหล็อแต่เอาเถอะในพรรษาซื้อมาจนพอแรงถ้ามันเป็นเศรษฐีกูก็คงจะเป็นเศรษฐีมาแล้ ว, ลวเป็นขี้ทุกอย่างเก่าในพรรษากูต้องงดมันวะไม่เล่นมันละวะ ตัดใจเด็ดขาดถึงใครจะรวยก็รวยไปเนถะคงจะไม่ใช่บุญวาสนาบา ร, รมีของกูหรอวะฮต้องตัดสินใจเด็ดขาดอย่างนั้นน่ะเออจิตใจของเราก็จุดความกับเพื่มได้เหมือนกันนะเนี่ยแหะสิ่งเหล่านีนะ้คือตัดกิเลสภายในใจสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราตัดออกออตัดสิ่งที่มันไม่ดีออกจากจิตใจเนะี่คิดไม่ดีนะออกหมดนะต่อไปก็นั่นมีเหตุมีผลใจของเราก็มีเหตุมีผลอใจของเราก็นั่น อันไหนที่มีคุณค่าอันไหนที่มีประโยชน์อันไหนที่จะมีความสุขกายสุขใจใเพิ่มความขยันเข้าอีกเพิ่มความประหยัดเข้าอีกนั่นแหะเพิ่มประกอบคุณงามความดีเข้าอีกแล้วก็มีโยมมาพูดให้หลวงพ่อฟังเอ้ยหลวงพ่อเอหลวงพ่อบอกว่าอในพรรษานี้ควรจะทําบุญตักบาตร และเราก็อยู่ในห่างไกลาจากชุมชนเล่ากนเนี่ยนะเราก็พยายามทีแรกใส่วันละหบาทหยอดกระปุกวันละหบาทบอ่พอพอแล้วก็เวลาเราจะไปทาบุญที่ไหนจะไปงานศพแล้วอย่างนั้นก็ไปหยิบตรงนั้นแะไปทาบุญมันน้อยเกินไปทุกวันเนี่ยฉันเอาลงวันละ4ี่ิบาทนะใบเขียวสองใบห ย, ยอดทุกวันมันได้ขาด เวลาเราจะไปทำบุญที่ไหนแล้วกันนะไปเปิดเอาตัวนั่นละ่ะปวดที่เราทำบุญทุกวันเราจะไปทำบุญวัดไหนเราจะไปทำบุญที่ไหนแล้วก็เปิดเอเงินกองกลางเท่านั้นที่เราทำบุญทุกวันรู้สึกว่าสบายใจครับได้สบายใจหลวงพ่อที่ทาที่ทามา เ, เออเนี่ยในหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อกับอืมได้นำ ลูกหลานได้นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้วไปนําไปประพฤติปฏิบัติในการทําทานคนเราจะร่ํารวยขึ้นมาได้ต้องอาศัยการทานไม่ใช่ว่าอเนกสงฆ์ทานไม่มีอย่าไปหวังเลยที่มันจะรวยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนที่เราได้เป็นได้ตัดสุภะอนุตรสัมมาสัมโพ ธ, ธิญาณก็คือการทานนี่แหละหลวงพ่อยังเปรียบเทียบให้ฟังว่าอพระพุทธเจ้าเสด็จ แนวจะพุดธเจ้าขึ้นไปอยู่บอดยอดเขาสูงสุดอยอดเขาสูงสุดทุกวันนี้หลวงพ่อกไ็ไม่รู้จะเปรียบเทีตรงไหนใช่ไหมหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบ ว, ว่าภูเขาอีวเวเลตเนะประเทศอินเดียอป่าหิมาภานภูเขาอีวเวเี่ยสูงสุดบรรดาภูเขาทั้งหลายตามประวัติศาสตร์เขาว่าอย่างงั้นนะหลวงพ่อก็ไม่เคยไปหรอกแต่เขาว่าแต่ก่อนที่หลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบ ว, ว่า พระพุทธเ จ, จ้าของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเดินเดินขึ้นไปปีนป่ายขึ้นไปด้วยบา ร, รมีของพระองค์ทั้งทานทาัน้ทงศีลทั้งภาวนาทั้งคันติวิทยะสัจจะอธิษฐานมเมตตาอุปเบกขาบา ร, รมีของพระองค์เดินขึ้นไปขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาอิวเวเลตตายแต่ที่พระองค์ก็ย้อน พอถึงเนี่ยได้ตัดสรุ้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเลยเท่านก็ น, นึกย้อนย้อนมาดูเราขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรด้วยเหตุอันใดพระองค์ดูนะมีทั้งสิบอย่างเลยนก่อนที่จะขึ้นม า, าทั้งทานคือสเสบียงคนที่ไม่มีสเสบียงเดินทางอย่าหวังจะขึ้นยนบนยอดเขาได้ เดินวันเดียวขึ้นไปแล้วก็หมดน้ำหมดอาหารนะมันจะไปเดินขึ้นไปยอดเขาได้อย่างไรเออเพราะอะไรเพราะคนไม่มีสเสบียงนี่แหล ะ, สะเสบียงก็คืออะไรก็คือการทาทานคนที่มีการทำทานอันนี้สงแห่งการทานเกื้อกูลหนุนไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากขึ้นไปวันนึงวันที่สองที่สามเป็นไปหมด แต่พร้อมกันกขามีความอดทนเดินทางมันจะไม่มีเหนื่อยได้อย่างไรมันก็ต้องอดทนบางทีก็หิวกระหายบางร้อนบางเหนื่อยบ้างแต่ก็ต้องอดทนเพราะเราต้องการขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาแล้วก็มีปีความเพียรพยายามหรอกตรงไหนที่มันวกเวียนไปตรงไหนถึงต้องใช้ความเพียรวิริยะคือความเพียรหมุนหาช่องทางที่จะปีนป่ายขึ้นให้สูงขึ้น เออคือประกอบคุณงามความดีให้ดีขึ้นต้องมีความเพียรแล้วก็มีความสัจจะในจริงจังและจริงใจงข้าพระเจ้าจะต้องขึ้นไปถึงยอดภูเขาอ e ิวเวเลให้ได้แน่นอนะและจากนั้นก็ศนลศีลก็คือสิ่งที่คุ้มครองก่อนที่จะขึ้นไปนันเรามีอะไรมากเราก็ต้องมีรองเท้าใช่หเราเดินทาง จะไม่มีรองเท้าไดอย่างไรมันวากมันหนามเป็นภ pues ูเขาเป็นหินเราต้องรองเท้ารองเท้าเราต <Item> ้องรองเท้าดีอีกต่างหากรองเท้ามั่นคงอีกต่างหากให้มันเกาะดินเกาะหินได้อีกต่างหากเอไม่ใช่รองเท้าลื่นอรองเท้าอย่างดีฮแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบดีอีกต่างหากเอการเหลือกันยุงกันร้อนกันหนาวอีกต่างหากเสื้อผ้าทั้งเสื้อทั้งผ้าจากนั้นก็มีหมวกอีก อจากนั้นก็นมีอุปกรณ์อุปกรณ์เหล่านี้เสื้อผ้าเหล่านี้คืออะไรคือศินปกคุ้มครองถ้าคนไม่มีสีลคุ้มครองไม่มีอาพรคุ้มครองไม่มีเครื่องคุ้มครองแล้วมันจะเดินขึ้นไปได้อย่างไรนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเหอะไรเพราะคนไม่มีศินเพราะไปฆ่าเขามาก่อนเขาคือคิดฆ่าเราใช่ไหมไปขโมยของเขาเขาก็คิดขโมยเราแปลว่าเราไม่มีศินไม่มีสิ่งที่คุ้มครอง ในเมื่อเรามีศินแล้ว เ, เราไม่คิดฆ่าเขาศินตัวนั้นแหะเขาเราไม่เคยฆ่าใครมาก่อนศินตัวนั้นก็คุ้มครองเร า, เอาบอกว่าเนี่ยคนคนนี้เขาทําดีเขาไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เ, เอาศินคุ้มครองนะเราไปนะัดสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นทุกเนี่ยแหะปีนป่ายขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะมีทั้งเสื้อจะเบี่ยงมีทั้งสิงคุ้มครองมีทั้ง วิริยะคือความเพียรมีทั้งขันติคือความอดทนมีทั้งสัจจะคือความมุ่งมั่นตั้งใจอธิษฐานตั้งใจมั่นว่าจะต้องขึ้นให้ถึงนี่แหละสรุปแล้วก็คือบารมีของพระพุทธเจานะ้าเนี่ยก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้มันต้องมีหลายๆอย่างเพราะนั้นในพรรษาที่จะถึงเนี่ยนะ ปี 2,558 เนี่ยอยากจะฝากไว้กับคณะศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านนะหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยนั่นแหละพวกเราจะเดินสู่ถึงจุดหมายปลายทางได้นะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเราปล่อยปละละเลยมามากต่อมากแนละ้วอายุเท่าไหร่เดียวนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราแต่ละท่าน แต่ปัจจุบเราจะปล่อยปาละเลยไปอีกเหรอในพรรษานี้ยคนจะมีความสัตย์จริงกับตนเองอย่างฝ่ายพระก็เหมือนกันในพรรษานี้ยข้าพเจ้าจะท่องปฏิโมกข์ไป่รู้กี่เที่ยวล่วมจมตกหล่นอยู่ตลอดเอาเถอะพรรษานี่ข้าพเจ้าจะเอาให้มันประเด็ดศึกข้ามจบไปเลยสู้อย่างสุดท้ายตั้งตน้นตั้งแต่บัดนี้แหละเตรียมพร้อมอาการพูดการคุยการาให้เราจะอยู่เป็นเอกเทศให้มากที่สุด ในพรรษานี้อย่างนี้นะอ่จากนันก้นเราก็ท่องเรายังทอดท่องสวดมนต์ยังไม่จบเราบวชมาเท่าไหร่ได้เอาเถอะในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะท่องสวดมนต์ให้จบอย่างนี้อหรือว่าเอาในพรรษาปฏิโมกเราก็ได้แล้วสวดมนต์เราก็จบแล้วในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะเล่งความภาคเพียรจะภาวนาให้มากที่สดุดอจะเดินจงกรมอย่างสลวงพ่อนะสมัยเป็นเนอ่ร พอฉันจังหันตอนเช้าเจ็ดแล้วประมาณแปดโมงพอเจ็ดพอฉันพระก็ไม่มีอะไรมีหลวงปู่สองสามองค์พอฉันเสร็จแล้วก็ตังล้างบาทแล้วก็สงบาทครับพอล้างบาทเสร็จแล้วก็เดินเดินโยกมุมหลวงพ่อตั้งจิตอธิษฐานได้เป็นเนนเอ่อถ้าอยางนั้นคงจะไม่ได้มาเป็นครูบาของสุเจ้าทั้งหลายหรอกถับกินและนอนก่อนและนินกิเลสมันก็คงจะท่วมหัวหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อมีเอ่อ จะมีความตั้งใจจริงมาตั้งแต่เป็นสมณี น, เ, นเหมือนกันนะในในเนี่ยข้าพเจ้าถ้ามาได้ยินเสียงกองเพลอข้าพเจ้าจะไม่หยุดในการเดินยังกลมพอเสร็จแล้วก็ส่งบัตรลุงปูเสร็จแล้วลงมากเก็บบัตรแปลงฟันเสร็จแล้วก็เดินยังกลมเไม่มีรักแปลงฟันถูกไหมมีต่ไม้สีฟันะสี ส, สีสีแก้วเอเสร็จแล้วก็ล้างปากให้สะอาดเพราะรักษาสิ่ง หลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพอฉันเสร็จแล้วต้องล้างปากนะให้สะอาดนะอย่าให้มีอย่าให้มีมเมล็ดข้าวอย่าให้มีอะไรอยู่ในปากนั้นรักษาศินแปดนะถ้ามันหลุดเข้าไปในท้องนะงเจตนาหรือไม่เจตนาก็สินขาดเหมือนกันนะสินข้อนี้นะเพราะฉะนั้นต้องทําความสะอาดปากให้สะอาดเวลาฉันจังหารเสร็จแล้วล้างปากให้สะอาดสินข้อนี้จึงจะบริสุทธิ์ได้ นี่แอันนี้ก็คือเราก็ฝังศึกษาพอล้างปาเสร็จแล้วก็เดินโยกรมแหะเข้าทางเดินโยกมลมเลยมันมีทางจงกลมอยู่สองเส้นเส้นหนึ่งอยู่ในป่าเราก็ไปเดินเช่นในป่านะ่ยขึ้นไปเลยทั้งเดินโยกรมนมมือแล้วก็ไหว้พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆจะนั้นก็เดินนะบัดขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทโธพุทโธพุทโธก็บางวันมันก็ง่วงเหมือนกันนะ่ะ เซซ้ายเาซยขวาทัด ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเหมือนกันล่ะอแต่อดทนนะเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วนะอบางทีก็ฝนตกะถ้าฝนตกนี่นก็ทําให้แรงเกินไปแล้วก็กั้นล่มอกั้นล่มก็มกเดินจงกรมะเราจะไม่ล่มล่มอย่างนี้ไม่มีหรอกมีล่มกระดาษอล่มกระดาษสีบนั่นอะบางทีกระดาษเร็วเดีวก็มีล่มกั้งสองสามทั้งเปื่อยก็มี บางทีก็ดีนะเนี่ยแหละกังเดินยังกลมอพอได้ยินเสียงเพียนตึงตึงตึ ง, ตงคือวัดบ้านเขาเนี่ยประมาณสักสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกานะเขาจะตีกองเพนนะนะจากนั้นพวกแม่จังหันก็ลงไปท่านก็ฉันจังหันก็เที่ยงท่านฉันเพลนฉนะันเช้า ด, ชด้วยฉันเพนด้วยแต่สาหรับวัดป่าของเราไม่แต่ฉันเช้าแล้วก็จบเลย แต่เราเดินโยกลมพอได้ยินเสียงกองเพลงนะก็ยกปนมมือไหวพ้พระเล้ำลึกถึงครูพุทโธธรรมโอสังโฆแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ลงจากทางเดินโยกลมฮะเนี่แหละมาไหวาพ้พระจากนั้นจะมาท่องหนังสือแล้วจะมานั่งภาวนาอย่างชั่วระยะหนึ่งอจะพักผ่อนก็พักพอพักผ่นกไ็ไม่ได้พักมากอ่ะจากนั้นก็ท่องหนังสืออะไรทํากิ จ, จวัดของวัดยังไงต่อไปนี่แหละ อันนี้ก็คือหลวงพ่อเคยทำมาแล้วจึงได้บอกกล่าวแนะนำพระเนนลูกหลานทุกคนทุกอ ง, กองนะสรุปแล้วก็มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าทำาอรอเละๆแต่ละวี่ละวันผ่านไปมันไม่เห็นผลนะลูกหลานนะจะทำอะไรก็ตามจะทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนเรียนหนังสือก็เถอะนะแ่ถ้าว่าไม่ตั้งใจรอรอเล ๆ, ๆไปนะมันไม่เห็นผลนะ ทำมาค้าขายก็เถอะทำว่ารอรอแล้วหละมันก็ไม่เจริญไม่รวยเหมือนกัน okay. ถ seguir, อถ้าไปเรียนหนังสือก็ market market มันทำรอรอแล้วหละหลบหลบลึกอการศึกษาของเราด้อยอีกเหมือนกันแล้วเมื่อเรามาบวชเอเราจะทำรอรอแล้วแหะจะเจริญรุ่งเรืองอในสมณะสารูปแล้วบอกเป็นศาสกยบุตรเี่ยเป็นบุตรที่ดีแล้วบอกอยู่ในทํานองครองธรรมที่ดีพวกเราอย่าหวังเหมือนกับ ลาวัทั่วๆไปนะกิจการงานงานทั่วๆไปนั่นนะพอเราต้องพอเห็นเราต้องจริงจังและจริงใจนะในพรรษานี่นะควรให้ทดลองดูนะอย่างที่หลวงพ่อพูดนะพวกท่านจะเห็นเห็นผลในการประพฤติปฏิบัติของตนเองนะอันดับแร ก, ก น, นะเรื่องปฏิโมกเรื่องปฏิโมกหลวงพ่อกลล้มเหลวล้มแหลกมาจนอายุสิบเจ็ดปี บวชสิบเอ็ดดินะเพราะปัมเพชพระเป็นหนุ่มปฏิโมกมันไม่ได้อหลวงพ่อสีลาโอ้ยเนตรีนมันไม่ได้หรอปฏิโมกท่องแบ่งยังไงเราก็มั่นใจใช่ไม่ได้จริงๆนะแต่ท่องอย่างนี้เอาเถอะในพรรษาเนี่ยข้าพเจ้าจะได้ข้าพเจ้าจะได้เอาวันละหกบรรทัดอปฏิโมกเต็มเล็กๆนี่นะอวันละหกบรรทัดอในพรรษาเนี้ยอ แต่บางทีมันมันมากกว่านั้นอ่แต่บางบางที่มั น, นะะไม่หยุดไม่ลดบันหกบันทัดเนะี่ยที่สุดเดือนครึ่งเท่านั้นแหละสำเร็จเลยสวดปฏิโมกได้นี่แหละสรุปลวก็คือหลวงพ่อมองเห็นความจริงจังและจริงใจคือสัจจะคือสัจจะตัวนี้เนะคือความตั้งใจมั่นจะเอาให้ได้สามเดือนอ่ วันละหกบรรทัดเออเอาจนเอขนาดนอนหลับกําลังจะนอนก็นต้องท่องเออหลับตาท่องท่องเสร็จแล้วก่อนนะไม่สมัยนะั้นไม่มีไม่มีไฟฉายอีกต่ามีแต่ไฟไฟไฟแช็กไฟแก๊สไม่ใช่ไฟแก๊สไฟนะ้ำมันก๊าดอนะ่ะขีดเขีดฐานขีดเช็คเสร็จแล้วก็มองดูแล้วก็ท่องต่ออีกนะถ้าไหนามันตัวไหนมันติดไม่มั่นใจนะขนาดนั้นแหละ อจึงได้มาเป็นครูบาของพวกท่านทั้งหลายะอหลวงพ่อนมันขยันอยูดเอยอยู่ในหลักทำมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเนี่ยอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นเห็นไหมหลวงพ่อพูดบางทีมันชาดกต่างๆมันขึ้นมาพูดขึ้นมาหลวงพ่อพูดได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเอมันเคยอ่านมาจนพอแรงฮะ เพียงแต่ถ้าอา่อานอ่านรอบรอบสองคล้ายๆว่าทบทวนานเองเพื่อจะให้มันมั่นคงขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาได้แต่ <c oughs> เนื้อเนื้อ <c oughs> เนื้อเนื้อหาสาระนั้นหลวงพ่ออ่านมาจนพอแรงแล้วไม่ลวกธรรมปรทัตตกรถาไม่ทั้งวาชาดกไม่ลวกทศ ช, า, ชาติห้าสิบชาติเทลีประวัติสาวกประวัติแต่หลวงพ่อชอบอ่านทาง พระสูดนะทั้งพระสูตรแต่พระวินัยก็ศึกษาอยู่พระวินยัยพระสูตรพระวินยัยพระประมัติคือพระอภิธรรมในหลวงพ่ออ่านน้อยนะครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ให้สนใจเรื่องอภิธรรม เ, เพราะมันเป็นเรื่องวิถีทางเดินของจิตใจกุศลธรรมมาจิตที่เป็นกุศลอากุศลธรรมมาจิตที่เป็นอากุศลอัพยากตาธรรมมา จิตที่ไม่เป็นบาปจิตที่ไม่เป็นบุญที่ปิดจิตที่เป็นกลางๆงมันมีเะ่นี่แหละอภิธรรมอธิปิธรรมยืนหลักยืนหลักคือจากนั้นอธิบายไปละทีเียอธิบายสามสามหลักนี่แหละจิตที่เป็นกุศล ม, มีอะไรบ้างจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นบาปมีอะไรบ้างจิตที่ขณะที่เป็นกลางกลางจิตลักษณะยังไงจึงเป็นกลางๆได้นี่แหละอันนี้ก็คืออภิธรรมเพราะนั้นหลวงพ่ออ่านอ่านดูแล้วก็ใช่มีส่วนอย่าง ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําบอกกล่าววันนั้นวันนี้นะหลวงพอให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือในพรรษานี้ให้จริงจังและจริงใจในการประพฤติปฏิบัติจะเอาอันไหนที่มั น, นดีนะอไม่ใช่ว่าข้าไปเจ้าจะนอนทั้งวันเข้าไปเจ้ากินอิมอ่มจัดอิม่มอิ่มแล้วเข้าไปเจ้าจะนอนอมอมันไม่ใช่สัจจะความดีนะนะนั่นกะินเละนะนะนะ สิ่งไหนที่เป็นกิเลสอย่าไปอธิษฐานทางทิฏฐานเะเธอแท้าไปเจ้าจะไปลงหลุมนรกลึกๆหลุมใหญ่ๆไฟร้อนๆนะอ ย, อย่าไปทําอย่างนั้นเถะนะเอาตรงไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมสิ่งที่มันดีดีรู้ไหมดีบวชเข้ามาขนาดนี้ลูกดีรู้ไหมดีเราเข้ามาปฏิบัติธรรมพุทธบริษัทขนาดนี้ดีไหมรู้จักไหมดีคืออะไรดีนะ เออถ้าพวกเราไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้จะว่าจะไงอีกเหมือนกันละนะาตอนนี้ไปรับพรนะท่านนี่นะ